เรามีาวิาษาะก็มีการอธิษฐาน้าวภาษาโยไม่มีภาาไม่ต้องอธิษฐานเข้าษาเดบางคนถหงพระธรรมเอาบ้างอมาซึ่งอาวมังเพว่มาดัก็หมายวม่าเนี่ยตลอดถามเดือนเขาดูนี้ ก็จะจําภาษาอยู่ในอาว่านี้แต่คาแปลมันทีนี้เวลาสวดก็เป็นภาษาบาลีก็ดูห่างด้วยจริงๆมันก็พูดธรรมดานม่แล้แต่ว่ามันเป็นภาษามคตภาษาบาลีอันนี้มันเป็นแฟนมคตแฟนมคตสก็มีภาษาดน ภาษาบาลีแต่เวลาพูดออกเสียงก็แตกต่างกับภาษาบาลีทั่วไปนิดนึงเหมือนอย่างภาษาไทยแต่ว่ามีทางขั้าอีสานคล้ายๆอย่างนี้เป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นภาษาท้องถิ่นจนภาษาลัสามแควมคต์เนี่ยก็แควแควหนึ่งแต่ภาษามคตเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉนั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้อย่างไงก็ยังยืนยาวอย่างนั้นยัามางมันคงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแลงภาษ า, ทาไทยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ค่ยแน่นอนแต่ภาษาเมตท ค, ความหมายที่มีในครนั้งพระพุทธเจ้ายังไงเดี๋ยวนี้คํานั้นก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น สิ่งนี้ยังใช้ภาษามาโคดเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วภาษามาโคเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อดไปเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาที่ตายเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงลมันดิ่งไม่ได้ภาษาไทยดิ่ะภาษาเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างคำมานะหมีมานะถ้าเป็นคนทั่วไปมีมานะเนี่ยม้าขยันขานแข็งมีความอดทน มีความตั้งอกตั้งใจแต่มานะในพระพุทธศาสนาหมายถึงตัวตรงชนิดหนึ่งที่เกิดจากการที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยเวลาเราศึกษาธรรมะเนี่ยมบางทีต้องเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเนี่ยไมั้นเราจะเข้าใจความหมายไม่ตรง ทีนี้เป็นฤดูเข้าพรรษายนะในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้บัญยนะ่าให้เข้าพรรษาถ้าก็ยังเที่ยวกันอยนะู่นะไปทางโน้นไปทางนี้เหมือนไม่ได้เข้าพรรษาทนี้ก็ผลมันตกทาไร่ทํำนาทนาสวนพระก็เดินไปเดินเดินมืนอก็ไม่เฉลวบางทีก็เหยียดย่างเข่ากล้าเขาบางทีก็เหยียดสักเล็กสักน้อยอะไรอย่างเนี้ย ประชาชนเขาเลยโกรธธนาหม อ, อสมณนะสัพยบุตรเนี่ยทาไมไม่อยู่เป็นที่เป็นทางขนามนกถึงได้ดนฝนมันก็ทำเราแต่ว่าสมนนะสาณะสัพยบุตรเนี่ยทาไมยังพาไปเที่ยวไปอยู่เนี่ ย, ย, ย, ยพระพุทธเจ้าก็เลยต้งบัญญัติไม่มีการจำประสา ธรรมชาติเราเจอว่าตลอดสามเดือนไม่ไป้ท้างคืนที่อนอกจากอยู่ในอาวาแห่งนี้ไม่ได้ท้างคืนที่อื่นนอกจากจําเป็นถ้ามันจําเป็นพระเจ้าก็อนุญาตเอาไว้เขาเรียกว่าก็จะมีจิตเอกสัตตาห์กรณียะหมายถึงว่า ไปได้เจ็ดวันกับตาห์นีหมายว่าไปเจ็ดวันวันที่เจ็ดให้กลับมาอยู่ที่วัดให้มาสว่างที่วัดที่จะเอาวันหนึ่งเนี่ยกำหนด่าตั้งแต่พาทิตขึ้นจนพาทิตส์ตกดิถ้าหาวันสว่างปักถือเป็นวันใหม่เนี่ยแอดูปักพาทิตขึ้นปักถือเป็นวันใหม่ก็จะมีกำหนดเาไว้่าเออทําอยเ่อ เกี่ัารอนุญาเอาไว้หนึ่งพ่อแม่ส่วยไปเจอพยาบาลพ่อแม่ที่ปวยไข้มีอุปชาปอาโารยไปไ์ป่วยไข้รัวหมู่คณะอะไรางนี้ป่ว ย, ยงไขยดูใกันได้คะอันนี้ปไปยากจะไม่เกินเจ็ดวันคณะไปได้หกคืนคือที่เจ็ต้องมาสว่างอยู่ที่วัดอันที่สองก็านนว่ามีเพื่อนคงมาจ้งหมายว่าพระด้วยกัน อั น, นเนี่ยก็สำอยากจะสุดังเพื่อช่วยผู้ได้เข้าใจเพื่อยักยันเพื่อช่วยเหลืออันจะไปได้อันที่สามวัดเนี่ยมันชันลึกซึก้งจะไปหาอุปกรณ์เพื่อมาปฏิสังขรณ์วัดได้อันที่สี่ถ้าโยมเขาอยากทําบุญหรืออยากฟังธรรมเนี่ย นิมนต์ไปสแสดงธรรมนิอไปรับทวทานเนี่ยไปได้อาจจะตรงเคาะอย่านี้ถ้าว่ามีธุระอะไรที่มันอาจจะไม่ตรงอย่างนี้แต่ว่ามีเหตุผลใส่้เคียงใก้เคียงกับสีอย่างนี้ก็ไปได้คํันี้เราก็พบพระเจ้ า, ก, าก็มีเหตุผลาง เวลาผู้เจ้าจะบัรยัติอะไรมีเหตุมีผลบอกเหตุบอกผนเอาไว้เรียบร้อยคนต่างเราศึกษาเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติทำตามทีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตมันถูกต้องแล้วมันสบายสบายใจว่าบวชมาหรือว่าเราเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่เป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้มีข้อบุญปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้แต่ว่าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เนี่ยมันกระจายทีเดียวนี้มันก็มีเยอะที่มันเบี่ยงเบนไปจากคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะว่าความอยากความต้องการความที่ต้นงมีที่ใช้ขึ้นมา ใมันก็อ้างเหตุผลอันนั้นอันนี้เพื่อให้ทําตามความอยากความต้องการคือสิเลสุตติมันก็เลยทําให้การปฏิบัติตามคําส อ, อนของพระพุทธเจ้าหยาบลงไปมันก็ไม่เกิดผลดีต่อตัวเางพระพุทธเจ้าท อ, องกับการยึดใจอย่างมียามรู้ด้วยใจอยาง เพราะฉะนั้นสิ่งใดงที่พระโอปปสอนสิ่งนั้นเป็นความจริงทั้งหมดใครที่ประพฤติปฏิบัติตามจะต้องมีความเจริญรยุทธเรือวในชีวิตมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีางามไม่ว่าเราจะทําอะไรก็จะวางหลักไว้ในหลักมีคําสอนให้เราเอาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้ ตามฐานะของเราองพระก็จะมีข้อบัญญัติให้ปฏิบัติโยมชาวพุทธมีข้อปฏิบัติให้สมกับฐานะในสภาของตัวเองแต่ถ้าหากรวมหลักใหญ่ๆแลที่พระพุทธเจ้ามีพระประสงอยากเป็นาวของของปฏิบัติการนั้นนี่มีจุติดและข้อขดใจด้ว าใจมันจะที่มาของความทุกข์ใจของเราเนี่ยมันสร้างสรรหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในจิตใจแต่ถ้าเป็ฝนอบรมเพียงพองแล้วเนี่ยมันก็สร้างสมบูรสุดความสงบสุดความเบิกบานภายในจิตใจสามารถดับทุกภายในจิตใจได้อย่างแท้จริง พวกสัทั้งหลายมันจะอยู่ไปการสัจักตพยายามเรื่อยหมสิ้นไปพอัหนึ่งรอดมีชีวิตรอดกไปแลาจะตายจะตายกันจิตใจมันไม่สามารถพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจดับทุกข์อในรติดใจอะธรรมชาติก็สร้างสมุดบันึให้เกิดข้นกันนะเกิดมาปั๊บเนี่ย ตทังหลายเนี i, me. Me Ka, ่ยอย่างลูกวัวอย่างนี a, ้ลูกสัต์อะไรในต่าเนี่ยเอาัรคอออกมาปั๊บอบเจาะขึ้นดีนปั๊บมันก็แค่เป็นริ้นนิดหน่อนะแต่แล้วก็เดินดิ้นินยากอะไรทั้งไอ้ลูกวัวมันก็พยายามลุกขึ้นพยายามไปเกียวตะกายถ้าสองสามครั้งมันก็เดินไปหาแม่ได้แต่ถ้าเป็นคนเนี่ยอโหเกิดมาแล้วเนี่ย ต้องดูต้องแล้วถ้าตีนไม้ตายเลยอยที่นัน้ําอยูเนี่ยถ้าเกิดมีพ่อไม่มีแม่นะนมก้อนข้าวก่อนน้ำมรณะภาพลูกเดียวหมดเลยแล้วเปล่าไม่มีเหลอเล ย, ยแล้วพอทีโตขึ้นมานะ้วโมาสักหน่อ ย, ยนะสักขวดสองขวดก็ตามนะถ้าพ่อแม่ตีนไมาอีกไม่มีเหลือ คือลาบากแา่พค่อยเรียนรู้ไปเรียนรู้ศึกษาไปก า, ารทิจารณามันก็ต้องค่อยเรียนรู้ไปเรียนรู้การพูดเรียนรู้การเกี่ยวข้อกับสังคมเรียนรู้การเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเรียนรู้ช้าแต่ว่า สา ม, มารถเรียนรู้จนเท่าสูงสุดดับผู้ภายในใจ้วนี่เป็นข้อดีสับธรรมชาติก็ให้มาจะเอาตัวรอดได้สัสรชาติพยายามตัวเขาคับเี่ยดู แ, แลกันไม่มานหรอกก็ปล่อยเลยนะานนะเคเห็นสารคดีเนาะมันมีนกประเภทหนึ่งเขาถ่าย ม, ามันมันอยู่ติดปะทะเลนะ พอลูกมันออกเป็นโตปั๊บมันเป็นรอยอยู่ทะเลเนี่ยแล้วก็ส่งเสียงเรียกให้ลูกมันอยู่ทะเลนู่ลูกมันก็สะเทียร์ตะกายนะเสียงแม่เรียกมันก็ตุ้มฉันข้าพยายามนตีมตะกายอิ่งโดดตะเกียร์ตกะกายข้ามโขดหินตกลงไปตรงนั้นตรงเรื่ยงวิ่งไปเดินไปวิ่งไปเข้าไปอยู่ในซอกหุ่นก็วิ่งโดนไปมันจะมี เขาหนึ่งประมาณเกาตัวเ น, น, น, นี่ยไปจึงกนระ่งนู่นน่ะมันก็ต้องไปในทะเลกันได้ไปว่ายในทะเลนะไปหากินในทะเลเอาตัวในทะเลเนี่ยธรรมชาติมันสุดผลนให้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตมันวัตถุจากกัน ม, มันจริงองนะมีแ็่ธรรมชาติเทนั้น นีวิตของเราเหมือนกันมันก็มีส่วนที่ธรรมชาติกำหนดเหมือนกันเนี่ยทุกคนจะมีเหตมีปัจจัยในเขาตัวเองเรามีอดีตอดีตที่เคยทํามาทำให้เกิดปัจจุบันของเราเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากอดีต แล้วปัจจุบ er ันผลก็มีปัจจุบันนี้ก็มีจะทำให้เกิดอนาคตผลอย่างเราทำอะไรเอาไว้เนวันนี้บางทีวันตเนี้มันก็เกิดผลต่อชีวิตของเราได้พระพุทธเจากก็ต้องการให้เราศึกษาให้เข้าใจเรื่องชีวิตของเราทีนี้เนื่องจากว่าจิตใจเนี่ยมันรวดเร็วมันไหลไปทางนี้ทางนี้ ถ้าปล่อยให้ใจไหลไปเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้มันมีแต่เรื่องยาวที่มันกุ้งงิดอย่างเอมันเข้ามาทางตก็เพลินไปเม้ามาทางหูก็เพลินไปเพลินไปเดียวอารมณ์จมันเข้ามามันเข้าไใจแล้วทางจมูกทางลิ้นทางกาย หรือใจมันจนึกขึ้นมาได้อีกฟุ้งแจกขึ้นมาแล้วมัไหลไปพนไปถ้าหาว่าปล่อยให้จิตใจมันไหลไปกับอารมณ์มันเติมไปกับอารมณ์ปล่อยให้อารมณ์เนี่ยถ้ามามีอิทธิพลต่อใจเราอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรกระทบ อ, อบบบารมณ์แล้วมันวิ่ดีบางวิ่งไล่บง พ ร, ระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มีสติเพราะนั้นหลักของการปติว่าทุกค น, นต้องพยายามเจริญสติถ้าจะเรียนรู้ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ต้องพยายามเจริญสติเพราะการศึกษาคําสอนพระพุทเจ้าต้องศึกษาด้วยจิตใจศีล ก็ต้องอยู่จิตใจสมาธิก็อยู่จิตใจปัญญาก็อยู่จิตใจสติในการักษาใจมีสติสตินักษาจิตใจเอาไว้อะไรเกิดขึ้นพอมีสติรู้ธรรมมันก็ดับไปถ้าดับไปจ็จิตใจก็เป็นปกติ สิ่งก็รักษาใจให้เป็นปกติทำให้ใจเป็นปกติรือว่าเรารู้เท่าทันเจตนาที่มันจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราละเจตนาหรือเจตนานั้นมันหลุดไปก็คือความคิดเฉยมันหลุดไปใจของเราเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นสิ่ก็อยู่ที่ใจ เมื่อจิตใจเราสงบใเราเปสมาธิเราตั้งสมาธิก็จิตใจเมื่อังแล้วเห็นความจิงต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แไปวาไ่เราไม่ใอเราเีเป็นปัญญามี่สมาธิปัญญาก็เรอจิตใจ เพราะนั้นการปฏิบัติตามคำสอนของหมดยาจริต้องพยายมมีสติการเจริญส ต, ติก็เป็นมรเบือตนหรือบุพภาธรรมามรเบือตนแต่เนื่องจากว่าสติทื่ันเด็กสติมีความสำคัญก็นเน้ยนที่สติ พยายมีสติทำอะไรพยายามมีสติอย่างวันนี้ถามแย้นมนะไี้ยภาวนาหรือเปล่าเขารีบตอบเลยน ะ, ะเตรียนคําตอบมาแนละ้วไม่ได้ภาวนาแต่เวลาเดินไปเนี่ยมีทุทโธมีตลอดเอออันนี้ก็เรียกว่าภาวนาเหมือนกันเดินไปเดินมามีพุโทโธห ร, รือว่ารู้ตัวมีสติรู้ตัวพุทโทก็ได้ รู้อยู่เฉยกกอดานับกอดานับในใจกอดามีะติดรักษาใจให้จิตใจนี้อยู่กับตัวเองเป็นการปฏิบัติธรรมและจะเทียบกับบุญแต่ส่วนใหญ่เวลามาวัดจะนึกถึงบุญกันมาทำบุญมาเอาบุญตรงไหนบุญมาก ตรงไหนที่เป็นทักษิณาตามอันยอดเยี่ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็แสวงหาที่ทําบุญเป็นเนื้อนาบุญก็ไปบางทีเป็นหนงสสิ่งของของมาถวายแต่บุญที่แท้จริงในความหมายของพระพุทธเจ้าคือการชาระใจบุญคือการทําความดี เมื so ่อทำความดีแล้วความอยู่นั้นทําให้ใจดีขึ้นมาใจมีความเบิกบานขึ้นมาใจมีความสงบใจมีเพลินสมาธิใจตั้งรับแล้วก็มาที่จิตเพราะนั้นสติเนี่ยเป็นหัวข้อธรรมที่สําคัญเป็นธรรมะที่สําคัญเป็นที่รวมของบุญกุศลทั้งหลาย บุญที่เราทําก็คือพระมหาจิตทำความดีแล้วต้องให้ความดีนั้นสำนึกจิตของเราให้ดีด้วยจิตเราสงบจิตเราสบายจิตเรา ม, รมีความสุขมีความเบิกบานจิตบกอินใจเราจึงดูได้ว่าตอนเนี้ยย่างลามาที่นี่จิตเราดีขึ้นมาหรือมาแล้วยิ่งเศราหมองมาถึงแล้วผลก็ตกอะไรก็ดูลําบากอุปคณิบนาไปหมด อาหาการกินก็กม่ได้จุปากใจเข้าเอาใจไม่สบายอย่างนี้มันไม่เป็นดีแต่ถ้ามาแล้วเออรู้สึกว่าสบายใจสบายสติก็ดีขึ้นมามีความสงบระวังเพราะตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของพระเป็นที่อยู่ของครูบาอาจารย์เป็นที่เราฝึกปฏิบัติธรรมใจเบิกบานขึ้นมาบาทีเราเล็กถึงขั้นกรปวดทีเจ้า ว่าพรอคก็อยู่ในเขาอยู่ในถ้าหรือว่าเป็นสถานที่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนเราก็ อ, อยู่ในบา้านในเมืองมาเสียงกระทุ้บทุกโคมมีแต่สิ่งเย้าเยือกติตใจชุบจิตใจของเราให้ไหลไปให้สูญไปพอมาที่นี่โอ้หา่างไกลจากเสียงนะใจสาบายมีไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกันโน้มนุ่มที่จะปฏิบัติกันมีความสงบเรียบร้อย ทำทุกส like, like like ิ่ด้วยอย่างก็พยายามทำแต่สิ่งที่ดีที่งามมีคุณมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อพระศาสนาใจเบิกบานขึ้นมาอันนี้เป็นดีสบายอะไรใจแล้วก็อง์มีความสบายสบายใจมีองค์เป็นประโยชน์แหตุพระศาสนาเป็นประโยชน์เหตุผู้อยู่อาศัยเป็นปรโยชน์เหผู้มากประพฤติติวตาใจเราก็สบาย สบายก็เพื่อให้จิตใจเราสบายมีความสุขมีความสุขแล้วใจเราเนี่ยมันเป็นสมาธิได้ย่ายจะเย็นงควบคุมจิตได้งายต่อไปติตามมันมสมาธิของโฮจิจามันจิตต้องจังมันแต่ไม่ใช่ว่าพอนั่งพับเราอยากให้ตั้งมันเลยไม่ได้ ก็ไปดให้ควณคนยาให้เขาที่สานีย์ยังให้ตาหนึ่งก็จะเหตุอันหนึ่งเหมือนกันว่าทำแล้วใจเราสบายชำระใจได้สือก็หมายใจใจผูกง่ายเป็นสมาธิได้ง่ายใทั้งมั่นได้การสำรวจการมีสติาระวัง กระทบอารมณ์แล้วก็รู้เท่าทาันรู้ว่าจิตของเรามันเป็นยังไงมันจะเป็นอาการของจิตก่ไม่มจะติดมันไม่ผ่านหรอกจิตเรามันหลายไปเวนไปนหมดแล้ ว, ลวปเรื่องราวต่างๆมันกู้ในจิตใจนั้เป็นทุกข์แล้วบางทีมันเป็นทุกข์แล้วมีน้ำมันมันเข้บอกฝังอยในจิตใจของเราพยายาผ่านไปแล้วมั น, ม น, นขึ้นมาใหม่ ที่ขึ้นใหม่ใจเดือดร้อนขึ้นใหม่ปูนแข็งใจอีกเราก็ทุกข์ทำแล้วซ้ําอีกเนี่ยมีในจิตใจเราก็เลยมาเจริญสติพอเรามาที่นี่เออเราได้มามันทําให้เราสํางบจิตได้ง่ายธรรมะก็เป็นธรรมะที่ทําให้เนี่ยให้สติเนี่ยมควบคุมจิตได้ง่ายจิตสงบได้ง่าย มันก็มีคุณค่าต่อจิตใจมีผลต่อจิตใจเพราะฉะนั้นสติเนี่ยก็พุทธเจ้าจริงจักว่าเป็นธรรมะที่สาคัญฉันเปลียบว่าเออรอยเท้าสัตวเนี่ยรอยเท้าช้างใหญ่ ท, ที่สุดเพราะฉะนั้นในธรรมะเนี่ยสติเนี่ยก็มีความสําคัญที่สุดเนะครับถ้ามีสติแล้วทาําอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นด้วยถ้าขาสดสติแล้วหมดหวังเลย เพราะนั ens, asure, Safe, ้นจึงต้องเน้นท <uit> <names, S 1> ี bring, hmm written, en, <sh> ่สต well ิทาอะไรอยู่ก็ยังมีสติเดินไปเดินมามีสติเขาหน้าัวจหมีสติเดินกินพูดคิดมีสติปัดกวาดใบไม้มีสติปัดกวาดเทปผอะไรมีสติยข้าวยของมีสติทำอาหารการกินมีสติมีแต่เรื่องของการจสติเนั้นเลยมีต่อเน่นู่ตอ ส่วนผลแล้วแต่สภาวะธรรมเป็นแล้วที่ลองสภาวะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความอยากของเราพอปฏิบัติแล้วอยากให้จิตสงบอยากอย่างนั้นอย่างนี้เห็นได้ยินเขาว่ปฏิบัติแล้วผลดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากได้อยากใหันเกิดขึ้นพอมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็มาลงโทษตัวเองสงสัยไม่มีบุญไมญ่มีบาลาม่ที่ทาําไมเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ เพราะเราไม่เข้าใจหลักกันปฏิบัติตรงความพอใจที่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยมนได้ที่สร้างเอมีความเพียรเพื่อสร้างเีงส่วนผลแล้วแต่สถาวะฒน์มีวางใจเสมอมาเพราะฉะนั้นหลักสำคัญเราจรึงเน้นหลักของอางการเร่องสีเพระพาะเรื่องสีเ็นปุถึงเรื่องสติมาก ให้มีความเพียน ม, มีสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้หลักรักษาใจเลยรักษาจิตให้ไม่ยลงมีมีเวลาหลักอนนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติแล้ววางใจได้ใจเย็นกลางกลางได้ใจไม่มีไม่เลวปัญหาไม่ค่อยมีนะมีอะไรเกิดขึ้นเข้าไปหาใจเลยอย่างมาวัดบางีเออ เราเคยอยู่ในบ้านในงูแล้ก็ยอยู่ในป่าในดงนะแต่บางคนก็เอาเลี้ยงไปในป่าตรงนั้นตรงนี้บางทีก็มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมีเสียงบ้างรางทีก็มาจากสับบางทีก็มาจตะสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยบางทีสมาลี่เห็นก็มีไม่เห็นก็มีเสียงก็มีถ้าหากว่าเรามีหลายโอ้มาดีๆไม่มีรายเข้าหาตามปักจริงตรานั้นจะมีประโยชน์ต่อใจทันทีนะ แต่ถ้าหาว่าวางใจไม่ถูวเกิดความกลัวมากมังวลรัวปูนแตกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแทนที่มันจะมีประโยชน์ต่อใจมันก็กลายเป็นอุปรสรรคอุปสรรคเพราการวางใจในตีวของเราไม่ถูกวางท่าทีในจิตใจเราไม่มถูกเพราะคนกลัวมากๆเลยกลัวทุกแกเลยนะเป็นผู้ชายโอ้ยมาแล้วก็ เตั้งใจจากพิทเทสไปนักฟิกเป็นทีกุยาก่าวไปเนี่ยทูนเฮาเนี่ยมันเป็นที่สงบเป็นที่เยียดไปมีตั้งใจตั้งใจปฏิบัติกล่าให้ความมัเกิดขึ้นได้พอมาคืนแรกเนี่ยอยู่ในกุฏิเห็นทุกแกอยู่ข้างนอกนอนไม่ได้เลยกัวสั่นเลยริ่งไปหาคนอื่นะไปเพื่อนคนอื่นตื่นเจ้าเราไปตื่เจ้าเลย ตักลัวตัวนอนกลัวแมลงกกิกือัวจจอนี้มีจงจริี่เราบอกเลยโอ้ยพวกเลนตัวเมล็เล็กๆมันเกิดที่หงเราก็หนตามธรรมชาตของมันมันไม่ได้มาทาอะไรเราแล้วเราติกลัวมันอะียความกลัวเนยมันซ่อนอยู่ในจิตใจเราก็ใช้วิธีให้ไปกระเจิงหน้า แต่ว่าให้ปัญญาไปว่าเนี่ยมันทําอะไรเราใหดูมันที่ตัว น, นอนก็นมัดไปเขีย่ยมันแรงอะไรที่พวกเข้าขไปใกล้มันทุกกงทุกแกเนี่ยเข้าไปดูมันมันก็อยู่ตามธรรมชาติมือนกลังก็มีบาทียังไม่มีงงแตความกลัวอยู่ในจิตใจถ้ามีสติแล้วมันเห็นอาการของจิตเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้น เห็นแล้วมันจะดับไปถ้าไม่เห็นนะมันก็ซ่อนอยู่ในนั้นแหละฝังอยู่ในนั้นะมันไม่ดับไปถ้าใครเนี่ยเออสติเริ่มมีมีสติสัมปชัญญะเนี่ยบางทีจริงต้องทบลองออกไปจากกุฏิบ้างออกไอยู่ตรง น, นั้นตรง น, นี้บ้างบางั น, นกลัวมากงั้นก็นอนคนเดียวเลยก็นอนกับคน น, คนนั้นคนนี้ เราก็ต้องให้ฝุดนะขเขาแยกออกไปบางคนบัดไฟยังไม่ได้ครับปิดไฟเอาให้เปิดแต่อก็ต้องให้ปิดเนมันต้องขยับไปเรื่อยมือที่ทำข้าลแล้วก่อนมันไม่กล้าจะพ้องว่าโผล่หน้าเอานะออกมาทำระเบียนต่อมาก็ลงไปข้างล่างกุฏิถ้ากุฏิอุ่นสูงเนะ่ะเดิ่มเลยก่อนลงไปเหยียบพื้นดินกลงวันเราก็ดูตัวดูให้เรียบร้อยมันมีอะไรนะ่ากลัว ดีเองว่าต้องสร้างจัญญาขึ้นมาไม่อย่างนั้นจิตใจของเราจะถูกความชวนครอบนำในความกลัวก็มาจากความเหลงใหลในจิตผูเหามันสร้างความกลัวขึ้นแล้วก็หลอกล่อเราเีงแต่ก่อนก็เป็นนะสมัยนั้นจะอยู่ภูเขากเนี่ยตั้งใจเอาไว้เมื่อคืเนียเดินหม้ายีเราก็จะเดินไปตามทางที่เรามาของฝาก ตามป่าตามเขามันจะมีทางคนเดินทางมันจะมีทางเดินใี้เรามาหาของ่าสมัยก่อนที่นี่ก็เหมือนกันมีทางเดินเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้ไปยุ่มไปนี่มันก็มีทางการไปบ้างมีทางเดินทะลุไปยุ่มไปนี่เพื่อนคนที่มาได้เดินชมธรรมชาติได้เดินโยกโครงกันแบบธรรมชาติตั้งใจอย่างนั้นพอมืดๆขึ้มาโอ้ใจมันกลัวหมาไม่กล้าเลย ไม้าขึ้นมาดูแรงมากเลยวัวไม่กล้าเดินเขาต้องมาปกปลอบจิตใจให้มีกำลังปัญญาอบรมสติตกลกัวอะไรกลัวมืดกลัวนตรายต่อชีวิตของตัวเองนี่นี่ยคือความยึดมั่นถือมัน่นถ้าบอว่าเราอยู่บ้านเราอย่างเนี้ยมันจะไม่รู้สึกนะว่าเรากลัวอะไรแต่พอเอาไว้อยู่ป่าปับ๊บไปเดินไปคนเดียวอย่างเนี้ยกลัวความมืด กลัวผีกลักวศัตรูภัยกลัวเป็นอันตารายนี่คืออาการของจิตทั้งนั้นเลถ้ามีแติจิตจำตัดเจนยะแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าไปรู้เข้าไปเลเยยังเราเจิตไปจิตใจนั่ตัวเองแล้วพวกนี้มันเกิดแล้วมันจะต้องดับเพราะเป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความรู้สึก ถ, disg, ถ, ถ้าเราได้เห็นหนหนตามันสักครั้งสองครั้งเบาลงไปนะความกลัวก็เลยเบาลงไปความรุนแรงต่างๆลดลงไปเงินกินต้องไปเจญหน้ากับความจริงเพื่อมาเห็นความจริงเพราะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงมีเป้าหมายเพื่อให้เราเห็นความจริงถึงว่าอาการทางกายอาการทางจิตอะไรก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต่าบไป แล้วมาละก็คือละความเห็นผิดของเราเองถ้าหาว่าเรามีตป้งหมายเพื่อที่จะให้มีสติเพื่อให้ติดตั้งมันและรู้ความจริงทุกต้องเน่ยพอจะรู้ความจริงแล้วความหลงผิดเนี่ยมันก็จะลดลงไปน้อยลงไปทีนี้เวลาปฏิบัต้องให้มันมาดูกายดูใจเองหราให้จิตที่อยู่กับตัวเราเนี่ย จริงเรียกว่ามันอยู่กับกายอยู่กับจิตของเรามันอยู่ตรงตัวเรายิตของเรามันเรียนรู้ความจีนอย่งนี้ถ้าจะจิตก็ขยายออกไปได้กายเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยาเองเดีวคืขันธ์ห้าหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมให้มีสติอยู่กับพวกนี้มันเป็นพื้นฐานแล้วทาไมาัต่างกันล่ะบางบคนพุโทโธบางคน ของน้อยยุกน้อบางคนบอกว่าเป็นสติปัญญาสี่บางคนเป็นสมะดามงคนบอกเป็นวิปัสนาีจริงแล้วเบื้องต้นมันเป็นการเจริญสติก่อนพอมีสติแต่ว่าก็มีสัมปัจริะมีสติสัมปัจญะแล้วก็ควบคุมจิตให้อยู่กับตัวเองเป็นสมาธิมันก็หลักกันเดียวกันนั่นจนมันตั้งมันมันจะมาถึงมาบรรจบกันเี่ย ทุกทีิที่การจะต้องใจตมามมันหรือสติเนี่ยมันควบคุมจิตจิตอยู่ในอำนาจของสติเนะให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นให้ทําอะไรก็ทําได้จิตไม่ได้รอบไปทางอะไ ร, ะไรดไดมันก็จะรู้เข้าใจเกี่ยวความจริงมากขึ้นเรื่อยๆที่นี่เวลานั่งอาการเวทนามันก็มีทั้ ง, างทางายทางจิด เวลาทางกายก็อย่างเช่มันเจ็บมันปวดพอเจ็บปวดมันมีขึ้นมาเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องของร่างกายนั่งนานมันต้องมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นมันจะระวังของอย่างเงี้ถ้ามันซ้อนกันมากๆน้ำหนักลงกระับลงไปสิ่งของที่มันอยู่ข้างล่างมันจะถูกทับถูกกดน้ำหนักจะกดลงไปบางทีดีเด่นได้เท่าไหร่ะ ร่างกายของเราก็เหมือนกันน้ำหนักโมทักดลงไปส่วนที่อยู่ข้างล่างมันก็มีเจ็บปวดมึนชาขึ้นมาได้เพรเลือดลงยิ่งไม่สะดวกเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาอันนี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องมาเมื่อจิตมีมารอาศัยร่างกายอยู่มันก็ต้องมีผลตัอจิตด้วยจิตต้องไปรับรู้ถ้ามันรับรู้ได้นะ มารับรู้เฉยอยังก็รู้ว่ามีเจตนาเวทนาอย่ที่รางกายเนี่ยหลักความจริงนเลยแต่เนื่องจากว่ากําลังของจิตใจเราไม่พอเพราะปวดปั๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดนี่ไม่เป็นธรรมชาติของจิตเรามันอยากเอาสุขเอาสบายไม่อยากมีทุกข์พอไม่สบายขึ้น่ามันก็เกิดความรีไรขึ้นมามีอาการรู้จิทีนี้ถ้าหากว่าสติเรารู้ทันปั๊บเ่ยเราก็ควบคุมจิตได้ดัง นีเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราเนี่ยรู้อาการของจิตรู้ว่าจิตเนี่ยมันคิดอะไรขึ้นมามันปูแต่งขึ้ น, นมาองว่าย่งไรหรือว่าถ้าหวาว่าใครอดทนสุดผลเอาให้จิตตัวเองมีกาลังเพราะว่าการที่เราเป็นทุกข์ก็จิตใจอ่อนแอจปยึดเนี่ยยึดนี่ต้องมาปูแต่งในจิตใจใจอ่อนแอ เรื่องอะมมไรต่างมันกุ้งจิตใจใจเข้มแข็งมเข้ามาม่ไดนะ้มีเข้มแข็งจากปัญญาอย่างที่รู้ความจริงพูดประหารได้เลยนะความหลงผิดเนะี่ยความหมวนไว้ภายในจในนะิตจะลดลงไปเรื่อยสา ม, มารถหมดไปจากใจลงได้เลยเพราะฉ้นถาว่าใครอดทนดูนลงไปถึงมันจนะเจ็บจะปวดก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้ได้สนะดวกสติมันก็จะดี เมื่อเจ็บปวดเนี่ยสติมันมันจะจ่ออันนี้ก็หลับจิบที่ดีสติสัมปญญาพอทงกข์เลยนะถ้าจิตที่มันยังอ่อนกําลางัางนยมันไม่ไหวเจ็บปวดที่มามันทีใหจิตใจมันสัสานอันนั้นคือสติอ่อนมากควบคุมิตไม่ได้แต่ยังผู้ที่ปฏิบัติตมีความชำนานและมีความเจ็บปวดเนี่ยมันจะดึงรับสติปัญญาทัาทนดีเลยนะ ที่แรกดูก่อนก็มีแต่ถ้าจิตมีกําลังไม่ต้องไปดูเพราะมันรู้แล้วเป็นเรื่องร่างกายไม่ให้ปิตไปยุ่งทำนั้นพอไม่ให้จิตโชก ร, ระแตออกไปเก็บขนาดาไหนั้นเนี่ยก็สามารถควบคุมจิตเอาไว้ได้นี่คือจิตมีกําลังนะจิตมีความสร้างมังนะงม่งขึ้นมาอย่างจิตต้องดูกําลังจิตด้วยถ้าหาว่าเออมันมันเจ็บแล้วเนี่ยจิตเราก็เป็บต้มันจําเป็นต้องไปดู ดูไม่ใช่อยากให้มันหายนะไม่ใช่ว่าดูแล้วก็รูความไม่อยากจิบไม่อยากปวดหรือว่าโมโหโกรธที่มันเจ็บมันปวดที่มันไม่หายนไม่ได้ดังใจงอันนี้ก็มันไม่ถูกต้องต้องดูเพื่อให้รู้ความจริงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาคนมีร่างกายเห น, นือยนั่งนานต้องมคนมีามการเจ็บปวทั้งร่างกายก็ให้เป็นเรื่องร่างกายเส็จไม่ให้คิดไปยุคนี้ถ้าคิดเนี่ยกําลังไม่พอมันต้องออกไป มันก็ไปยุ่งเป็นได้เราก็ดูไปก่อนค่อยๆอบรมไปค่อยๆดูไปตั้งสติรักษาจิตให้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายพยา ย, ยมามเอาหลักธรรมเนี่ยมาสอนจิตมาอบรมจิตแต่ปัญญาก็จะเกิดยยรรก ข, ข, ข, กขึ้นมาเนี่ยมีสติมีเทนัยที่มีปัญญาสตาวความเพียรเพิ่มขึ้นมาจิตมีกําลังพับวางกันอยูเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็ลองเจ็บๆอยู่เนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งมันวางพับโอ้โหมันความสุขนี่มัน มหาศาลเลยยิ่งทุกข์มากความสุข ก, ก็ดิ้งมากผมก็เลยไม่กลัวความทุกขนะ์ต่อไปทุกทางกายก็ไม่กลัวเพราะมันเห็นผลเนะี่ยเออมีความทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆนมันเกิดเองดับเองจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือได้เห็นฟัซเนี่ยมันมันไอความรู้มันเกิดขึ้นในจิตใจไอเป็นปัญญาที่ไม่ต้องไปคิดนะเพราะจิตมันเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอนะ่ะถ้าใครเคย เคยดูเวทนามันมีกำลังมันติดพันแล้วก็แล้วมันวางได้ผอมีความอาถารพ์ทีมันนักจิตเนี่ยวันหลังมันมันเริ่มรู้นล้วโอ้เนี่ยเวทนาเนี่ยของสุด้ายจิดมันวางได้โอมันเบาแล้วดวเนี่ยมันเกิดความปีติปลาโม่ก็จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยผนมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเลยอ่ะที่ที่เห็นความเกิดดับของเวทนาเกิดดับของรูปของนาม บางเราพัฒนาทางจิตก็ม well ีบางทีรู้จิตใจมัเศร้าๆน้อยๆบางทีมันมีอารมณ์ติดค้างอยู่ในใจแต่มันไม่รู้มันคืออะไรคือติดของเรายังไม่ละเอียดพอที่จะเข้าไปเห็นอาการของติดเราว่ามันยึดอะไรมันหลว่าไรคือถ้ามีความทุกข์ปั๊กเนี่ยมันต้องมีเหตุนะว่าติดเรานี่ต้องหลงยึดมั่นหรือมันอะไรกระต้องมีที่มันค้างคาอยู่ในจิตใจเรา ที่ยรงล้างไม่ออกปัญญาเรายังหยั่งเข้าไปไม่ถึงเนี่เพราะฉะนั้ น, น, วนเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจิงพยายามไม่ให้จิตเนี่ยไปโทษเขานอกไม่ให้ส่งออกไปขานอกต้องเหืมันเข้ามานะจิตเราอยู่ที่ตัวเราเนี่ยถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องรู้ทันดีเลยว่าจิตของเราต้องเป็นหลงยึดอะไรสักอย่างมันต้องรู้ความจริง แต่ว่าเราเยังวานไห้ก็ไม่เกี่ยวเราก like yeah, ็ต้องพยายามตั้งสติดูม anyway, mm ันเหมือนกันเหมือนดูเวทนาการ์ไงเนี่ยสังเกไปดูไปบาที่ดูไปดูไปเนี่ยไอ้สติมันก็มีสติก็เกิดขึ้นมี้สติก็ต้องมีสมาธิมีสติตรงไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นนี้สติมีสมาธิความพยายามก็อยู่ตรงนั้นศรัทธาก็อยู่ตรงนั้น ยามันก็มีขึ้นมาเหมือนกันพอจิตมีกาลังจิตก็ปล่อยอยู่นะปล่อยก็เห็นเลยว่าโอ้มีเกิดขึ้นตา้งยืนต่างๆไม่รู้ว่าใช่เราไหมใช่เราแต่อาจารของจิตดีทางการจิตมันก็ปล่อยได้เหมือนกันแต่บางทีเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมัวจะไปดูอย่างเดียวนะตามดูตามดูคือเริ่มต้นเนี่ยมันต้องตามดูดูดูดูดูแต่ที่นี้มันไม่ย้อนเขึ้นมาแล้วจิตของตัเองสักที ไม่ว่าวิทยาทางกายและทางมาันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วตั้งแต่แจิตต้องเผู้ดูเทา่านั้นเวลาทำจิตก็เหมือนกัน ม, กมันต้องมีผู้ดูมันจะรู้ว่าจิตเราไม่สบายมันก็ต้องเข้ามาหากิตจิตเราเนี่ยต้องดูเฉยๆต้องดูอยู่เฉยๆถ้าดูอยู่เฉยๆได้เนี่ยจิตเป็นเบาหาจิตเป็นกลกางนะเป็นมัธ่มาเป็นไปไม่มา สำคัญก็ตรงนี้แหละตรงที่สติเนะี่ยมันเข้ามารักษาจิตเราแล้วนะทีแรกไอ้จิตเนี่ยมันละเอยียดมันเป็ น, นมามธรรมมันยังไม่ค่อยเห็นจิตเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี้มันต้องเออมาดูที่กายบ้าดูที่ลงปราณธรรมยนตรธรรมบังให้จิตมันอยู่แล้วแต่บางคนที่เคยดอมเพนมาเนี่ยก็อาจจะเข้าไปดูจิตได้เลยเพราะฉนั้นมันพอเปรียบเทียบได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราต้องมีสติพยายามมีสติแล้วก็วางใจกลางกลางถ้าวางใจกลางกลาง ก, ก็คือจิดที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไมมันจะเข้าไปหาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นนมิติเกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ต้องยินหลักอันเดียวกันนี้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และตรงหลักหลักเกขึ้นภายนอกก็ตามเดี๋ยวถ้าเราเป็นนั่งในตารหรือว่าตรงโขศน์สินอะไรก็แล้วแต่มีเสียงอะไรเกิดขึ้น เราต้องดูจิตเราให้จิตนี้มันรู้ว่าสิ่งเรานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบนี้ก็จะรู้อีกมันก็จะเกีเ่ยวข้องว่ารู้ว่าไอ้สิ่งเรานั้นมันมาจากไหนจากปะจรพวกมันมันเป็นธรรมชาติพวกมันมันได้โยงไปถึงกันเรื่องของธรรมะเลยไม่มีตัวเราเกิดขึ้นถ้าเรากลัวมีเราเกิดขึ้นนี้วมีการยึดมั่นถือมั่นแล้วเรากลัว ว, ว่าชีวิตข้าเราเนี่ยจะถูกทํำลาย จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเกิอดอันตรายขึ้นมาเพราะว่าเรามาหลงเนี่ยวันเราปล่อยวางไม่ล่ะอยากปล่อยวางไม่เกิดถ้าว่าเราเข้าใจเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีเด็กปัญยามก็ร่มมีแล้วเนะี่ยไม่ตายไม่มีไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้ากลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเพราะนั้นเราไม่ควรไปกลัว ถ้ามันกลัวมา ก, ก็ต้องดูมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่หับไปทีนี้เราก็จะมีเครื่องมือที่จะเอาความกลัวเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ชกจิตใจของเราถ้ายกความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นแ้ดับไปนยใจเราเนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้นใจเราจะมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นมากขึ้นถ้าคำว่าเรากลัว มันเหมือนแต่เราเรารักษาไว้ก็คือไม่ต้องถ้ามักลัวอะไรก็ไม่เข้าไปกระเจิหน้ากับมันไออย่างเนี้ยปัญญาเรามันไม่เกิดจิตเราก็ไม่เส้นแข็งมันเหมือนแต่เราเนี่ยรักษาไอ้ความกลัวนั้นเหมือนท่านุ้นหนอมความกลัวเอาไว้ปกปก้องไม่ให้อะไรมากระเทือนคือมันกลัวว่า ชีวิตเราเนี่ยจะเป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ชั่วคราวมันเป็นความจริงร่างกายจะตั้งอยู่ชั่วคราวฐานห้ามมันตั้งอยู่ชั่วคราวมันมีอยู่แต่มีอยู่ชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายมันต้องแตกดับจะลายไปตอนที่มันจะแตกดับจะลายไปให้เรามาเห็นความจริงของมันเนี่ยที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเรา เกี่ยวับร่างกายขอเราเกี่ยวกับจิตใจของเราเวล า, า, ยาแลยกออกไปเราเกีเ่ยวกับร่างกายก็คือลูปลูกประหันหรือว่าแยกเป็นก้อนของรูปโ็นี่มีหลายส่วนประกอบกันพางทีเราก็แยกยอยๆออกไปเพื่อมาให้จิตของเราเนี่ยมันไปยึดถ้ามาันเป็กลุ่มเป็นก้อนนี่ก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมองเห็นตัวเราอยู่ถ้าเรามองให้ละเอียดเข้าไปเนี่ยอย่าเคยอ่านนะมีหมอเข้าเขียนเขาไปปฏิบัติธรรมแล้วเขียนในเชิงของหมอนะ เขบอกว่าเอออยู่ของร่างกายมองดูมันกน็ประกอบด้วยส่วนใหญ่ใหญ่แต่ถ้าดูละเอียดลงไปมันก็จะมีส่วนเยอะๆลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นเซลล์ในร่างกายเป็นเซลล์เ ล, เล็กๆหลายๆเซลล์รวมกันแต่ในเซลล์นั้นมันก็จะมีโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตอนและเอียดเข้าไปจกนกล้องก็จับไม่ได้มองไม่เหมือนไม่มีอะไร เราะฉะนั้นงทีก็ใช้วิธีดูอันนี้เป็นธาตุดินธ า, น า, าตุน้ําธาตุลมธาตุไฟบางคนก็เห็นด้วยบางคนไม่เห็นแต่ว่าก็ต้องศึกษาด้วยเพราะเราเป็นสาวกสาวกนี้ต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจเพราะเราคิดเอาเองนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เท็ากับพรบพุทธเจ้าเมื่อเราเป็นสาวกก็ยอมรับว่าเราต้องศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า ร่างการประกอ บ, บด้วยธาตุดินธาตุดินคือยังไงอวัยะมันแข็งแข็งมันแข็งแข็งมันเนกิกลุ่มเป็นกอนนนน้อนมัแข็งหรืออ่อนอย่างเงี้ยมันแข็งน้อยเลยมันก็อ่อนน้ําันเป็นของเหลวมันไหลนี่ว่าเอบอาบซ่าซ่าทำให้ทางกาะกลุ่มคุณได้สมบั ต, ตรณ์ลมเคลื่อนไหล จะมีการเคลื่อหนหวัอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นเพราภาพลมแต่นม่ใช่การหย่อนการตึงทาไฟความร้อนหรือความเย็นนี่ก็คือแยกย่อยลงไปนี้หรือว่าผมคนะ น, นเนื้อต้นหนังเนื้อเอ็นกระดูกคือไปดูมามันก็จะ ม, ม, มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นจนแตกดับกระลายได้บววางคนแค่ดูลมก็ได้ที่แรกก็ดูลมตามดูลมไปดูลมไปพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาภาพลมเนี่ยมันก็กลายเป็นวา่า มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดเยอะดับเีอะใหญ่เยอะน้อยเยอกว้างเยอะแคบเยอหยาบเยอะละเอียดเป็นความเกิดขึ้นตั้งมีแบบไปตัวใจจะคายบอกเองเนี่ยมันเปต้องเข้าไปเห็นด้วยนะเห็นเห็นจิตเนี่ยเข้าไปเห็นแล้วก็รู้เข้าใจขึ้นมาเนี่ยต้องอาศ้ยการปฏิบัติเอาทุกสิ่งทุอย่างที่เราเกิดขึ้นเอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของเร ร่างกายก็กฎการอะไรเกิดขึ้นเพราะเห็นมันเป็นธรรมชาติเห็นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องลับไปยีธนาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ที่ร่างกายแต่จิตนี้กําลังขึ้นมันก็มาอยู่กับจิตจิตก็เป็นผู้ดูบ้งผู้ดูอันหนึ่งเป็นจุดดูอันหนึ่งเป็นผู้ดูผู้ดูกับเป็นจุดููไม่ใช่เดียวกัน ก็จะแยกกายแยกจิตแยกรูปียกนามได้แล้วปัญญาก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมัน เ, นออเสื่อมเสืมตั้งจะไปเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราม า, า, s, า, าขึ้นมาขึ้นส่วนกายเป็นสติชั้นปฏิปัญญาขึ้นมามันเหมือนสตินี่มันขยายตัวความรู้ภายในจิตเราขยายตัวขึ้นเรีรู้แคบๆเป็นจุดๆต่อมารู้กว้างขึ้น ยังมีจิตสำหรับ ก, กัญญาความคิดก็เหมือนกันมนก็ดูเหมือนดูการดูในสนามแล้วเนี่ยตอนแรกมัคิดแล้ว ม, มันเพินได้มัหลุดไนีนคือสติกรอนสติยังไม่มีกําลังพระพุทธเจ้าไม่ให้อยากหรอกแต่ว่าสร้างอยู่ให้มันให้มันถึงพอเหตุมันถึงพร้อมแล้วมันจะรู้ข้อมันเองอย่างวพอคิดที่เคยหลุดไปอย่างเนี้นตนนนตนนน ย, ย, ยต่อมาเนี่ยแค่จิด ขยับทำท่าจะได้นอดไปเหมือนกับมันแอบหนี้ไปเที่ยวมันผู้ร้ายมันแอบเหมือนกับมันกําลังจะเคลื่อนตัวทำท่าทำทางจะเล่นนรอดอะไปเห็นได้เลยปั๊บเฮ้ยนี่มันจะไปแล้วเนี่ยนี่คือเห็นจิตแล้วเห็นอาการขางจิตแล้วแต่ว่าเออมันไปแล้วแล้วไม่ยอมหยุดด้วยเหมือนกันเมื่ต้องดูความคิดมันก็จะมีผู้ดูอันหนึ่งก็ไป็นจิตดูอันหนึ่งเป็นผู้ดู หรือว่าอาการอะไรบางทีนะบางทีมันเป็นเวทนาอะไรทีม่มันมนะันกว้างมันมันเหมือนกับทําให้เรามีจุดจ้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดมีบางทีก็โดนหลอกได้เนี่ยมีสิ่งที่มันหลอกได้นั่นแทนที่จะมาดูว่าเออมีผู้รู้อยู่เราเนี่ยเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้ให้ป ร, กรากการณที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งถูกอู่เราก็เลยไปไปตามไปดูแต่ไอ้ไอ้ข้างนอกอยู่ตลอดไปดูแต่อาการแ น, นั้นนะ มันก็เพลินอยู่แับอันนั้นไม่กล้าหน้าไม่ไปไหนเป็นไปได้ด้เมื่อเราดูอะไรสักอย่างไปเพลินดูแต่ทางนอกไอ้ตัวผู้ดูเนี่ยไม่นเอามาดูสักพีนึงก็เลยไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองท้ายท้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปีกของเราเนี่ยปฏิบัติใจเนี่ยมันก็ต้องแคลา์ขึ้นมาด้วยหมายว่าไอ้ไอ้นี้มันดูอะไรอยู่แล้วใครดูใครเป็นผู้ดู จิตเนี่ยมันเป็นผู้ดูถ้าหากว่ากำลังไม่พอบางทีก็หรือว่าเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงข้อมันก็ไม่เห็นนะผู้ดูเนี่ยมันก็เลยรู้แต่ว่ามีอะไรสืบซึ่งไม่สามารถแยกแยะแต่ว่ามีผู้ดูกับสิ่งถูกดูถ้าว่าเราแยกได้ผู้ดูต้องมีสิอันหนึ่งต้องมีสิ่งถูกดูแต่บางทีมันก็มีผู้ดูเกิดขึ้น บางทีมันก็ทําให้เราเข้าหาจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้มีเรื่องเข้าหาจิตหนึ่งเองแต่จิตนี้มันเร็วอ่ะทีแรกมันปั๊กมันไปดูอันหนึ่งแล้วเราตามไปตามไปแต่จิตนี้มาเป็นผู้ดู่ะมาเป็นดูตัวดูที่ไปดูข้างแรกอ่ะมันดับไปละมันเป็นผู้ดูใหม่มาแต่เราไม่ทันมันก็เลยไปจมอยู่กับไอิเวทนาอนตัวที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกนั้น การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีที่ติดอยู่บ้างเพราะนั้นหลักสั้คันยิ่งพยายามปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราเนี่ยเป็นกลางเป็นเบขาไ ม, ม่ดีดีร้ายแล้วพระเจ้าก็สอนต่อไปว่าให้เพียนอย่างเนี้ยเพียนมากๆแล้วก็เพียนให้ยิ่ขึ้นไปไม่ได้เพียนเฉพาะเวลามาวะพระกลับไปแล้วก่อ ปล่ใจในเพินไปครับซึ่องราตวต่างๆต้องเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้ด้วยคือทําอะไรพยายามมีสติ้วยยกตัวอย่างว่อย่างเคยขับรถเนี่ยปล่อยใจไปยินดอยไปกับการที่เราพยายามขับรถแล้วพยายามมีสติตนี่มันจะมีคุณค่าต่อจิตใจเป็นการปฏิบัติทรรมดังดีเลยมีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ย เป็นผู้ที่มีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในใจมีอา น, นิสงส์มากเป็นผู้ที่ประพฤติพมหมจารย์มีหลักในการดําเนินชีวิตทงชีวิตประเสริดขึ้นมีอานิสงส์สูงที่สุดมันทั้ชีวิตแระเสริดขึ้นทันทีนี่มันจึิงสําคัญอยู่ความตั้งใจของเราความตั้งใจมีจิตใจที่มุ่งม่ก มีจิตใจเด็กเดียวเด็กเดียวเรื่อเด็กเดียวที่จะมีความเพียร ม, มีความพยายามที่จะปฏิบัติพยายามควบคุมตัวเองมีความเพียรเพียรให้มากเพียรให้ยี่ง่ขึ้นไปแล้วก็ต้องรู้หลักเพื่อประคองจิตให้ตั้งมัน่นความสัมพันธ์ที่จิตตั้งมัน่นคือมีสติแล้วจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คือจิตที่มันมันรู้ตัวรู้ล่อ เปเดียรหาเป็นกลางกางอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วจิตไม่ได้รู้เองว่าอ๋ออันนี้เกิดขึ้นแล้วกระดับไปผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเนี่คือปัญญายามนี่คือวิจารนายามมาถึงบรรลุชาอยู่พร้อมเป็นเบ้นต้นก็มีเจอความคิดดูความคิ ด, ด, คคดเออเกิดแล้วกระดับไปแล้วก็วางเิยก็รู้ต่อไปความเข้าใจว่าอันนี้เกิดดับเนี่ยมันยังน้อยอยู่ อันนี้คือมันก็ยังต้องการความตั้งมั่นอยู่มันยังต้องการสำาสมาติอยู่มันก็ไม่เสียหายอะไรมีบางทีจิตมันลงไปพักอยู่มันนิ่งอยู่เหมือนไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือมันถูกทำอยแล้วมันก็ได้ประโยชน์จิตใจก็สงบจิตใจแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาศรัทธาความเพียรมีความสุ ข, ขสความสบายครบถ้วนแล้วดีกว่าจิตใจทักข์ใจในทางนู้นทางนี้ เราไม่ความอยากมันเกิดขึ้นยอมรับเลยว่ามันมันอยู่ขนาดไหนอยู่ระดับไหนก็เอาจริงๆสรุปว่าควาตมต่อหองยาวมีสติแล้วก็อะไรเกิดขึ้นก็ตามพยายามให้ใจใจกลางใหใจใจอยูีขาใจไม่ยินดีไม่ยิ้ายแล้วมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆมันว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามเหตุ rd, ตามปัจจัย มีความเปี่ยนแปลเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, าบังคับบัญชามันไม่ได้ ท, ทํำพวกนี้จะค่อยๆสั่งงขึ้นในจิตใจเรียกว่าปัญญาเรียกสมาธิถึงปัญญาสมาธิถึงเป็นความเห็นที่ถูกต้องในใจความสงสยัยส่วนตัวมันก็จะเห็นนะสงสัยแต่รูว่าสงสยัยมันก็จะหลับตาไปประวัติปไปได้นีเนี่ย บองทีพอเข้าใจแล้วนะปฏิบัติไปถูงสงสัยก็ตามพปรปฏิบัติไปเนี่ยพอวางใจถูกต้องคำตอบเกิดขึ้นเองเลยบางทีก็เอาต้องการความมั่นใจต้องการความกระจา่างต้องการความชัดแจนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่หนักแน่นขึ้นทำให้ผู้ที่พอเป็นจางยานิตรได้เราก็ศึกษาได้ตอนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ย บางทีก็เอาเนี่ยดูกายบางเวทนามัางคิดบ้างทำบ้างไอ้เวทนาเนี่ยแมตอนคิดสู้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันมีรสชาติมันมันไม่ลืมไอ้เจ็บปวดเนี่ยแม่มันตอนแรกก็ทนไปก่อนนะทนทนทนพอที่นิดจุดหนึ่งพอจิตเริ่มรู้วิธีพอจิตมีกําลังพักมันจิตมันดีขึ้นมานะเวลาที่มันเกิดขึ้นปัญญาที่อบรมจิตมีความเพียรมีความพยายามด้วยกําลังขอากระฐาน พอมันพักเข้ามาริตมันปล่อยวางเวทนาได้โอ้รสชาติมันเกิดขึ้นในจิตใจเมันมีความแตกต่างเห็นได้ชัดเจก็เลยเอาอยู่เรื่อะสู้อยู่เรื่อยแต่มาแล้ก็รู้วิธีแล้วมันวางได้แล้วมันก็เข้ามาดูกายบ้าเวทนามบ้างจิดบ้างธรรมบ้ามันดูเองกันเองไม่มีทนามก็พอมีกำลังก็ดูได้ บางทีก็แยกแยะออกไปผ่าบินผ่านน้ำผ่านลมจ่านคะไรชื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เรามันยังออกบทีมันก็ดูทั้งทั้งหมดอย่างน้ลูกนั่งอย่างนี้ยมันก็นั่งอยูโอ้ยเนี่ยนี่มันนี่ยมันก้อนอะไรเนี่ยมันถ้าเป็นก้อนก้อนมันเป็นสิ่งจริงหนึ่งเนี่ยสริงจริงหนึ่งเนี่ยมันไม่มีบัญยัตินะมันไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเหมือนจิตเนี่ยมันเข้าไปรู้ไปเห็นสริงจริงหนึ่งบาทีดูลงเนี่ยมันก็เห็นเป็นสิ่งจริงหนึ่ง ดูความคิดก็เป็นสิ่งหนึ่งดูเวทนาก็เป็นสิ่งหนึ่งมันไม่มีบัญญัติมันไม่มีสมมุติอยู่ตรงนั้นนี่เลยว่าเป็นปรามัดเกี่ยวกับปรามัดจัดทําความจริงสูงสุดสูงสุดก็คือมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นของมันอย่างนั้นไม่มีคำพูดไม่มีคําอธิบายแต่จิตเห็นเห็นไอ้สิ่งหนึ่งก็เป็นสิ่งถูกเห็นไม่มีชื่อเรียกมีเฉพาะที่ว่าเห็นปรามัดเห็นได้ิตจิตก็ใช้ตั้งมั่นแน่วแน่จนเห็น แล้วพอมันเห็นอย่างนี้มันก็เห็นแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ผมพออันห่ปู้เห็นอันหน่เห็นตัวเห็นคิดก็คาวางในตัวของมันเองบางจังหวะมันก็มีการพูดได้เพราะว่ามันพองมีความรู้ความเข้าใจมากออไอนีอันีจงวิุขกรรเนีอนัตามี่เราไม่เฉ่หบางจังหวะนี่แมวดูกัน็นเหมือนภาษาใจเนี่ย มีสะสมปัญญาเรื่อยไปชักขึ as as ้นชักขึ as as ้นชักขึ้นแต่ถ้ามันชักจริงๆอะนแน่วเลยนะแล้วก็ชักเกณตลอดเลยนะิันจะว่าขึ้นตามนี้แ้วไปมีอะไรจริเราเป็นของเรานี่คมันพร้อมจะปะหันขึ้นเลยนะสมาติอดีตรงนั้นสมาธิตรงนั้นสมาวมมะอีกตรงนั้นสมาธิสมาสนกับโอลรวมเข้าไปเลย สมาวาจะสมาธิมิโตสมาธิว่เป็นหนึ่งเดียวจากนั้นจิตจะเประหานที่เดียวมีอยู่ในจิตนะจิตก็พูดก็ไดบเป็นได้ถ้าว่าใครที่ออมีความตั้งใจอยากเะีนบรรลุธรรมเนมีหมอว่าวันนี้เขาก็มาถามปัาธรรมเรื่องการปฏิบัติเขาบอกว่าชาวนี้อยากได้ประโูดาวันนะ ถ้าอยากได้ถ้าไม่ปฏิบับติก็ไม่ได้เต้าปฏิบัติใช้ภเษาปฏิบัติยังไงที่นักก็ทาอยู่แ ล, แล้วอยากได้ความมั่นใจต้องเอาหลักโอเดจามีสีมีคำโลมีสีมีสติทุกอิรยาบถพก็ยามทาจิตให้ตืพยายามไม่มีวิญญมาตั้งมาความให้จิตเป็นสมาธิ ร, รู้เห็นความจ ร, ริงตสตเลยะ ก็คือทางของพระเจ้าเราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ไหมครับก็เข้าใจทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยถั้งอกตั้งใจนั้นมีความเพียรนั้นมีความอดทนไหมเหตุสำคัญอยู่ตรงนี้นะทําอะไรมีต้อหมายอยู่ตรงนี้ไมใ้จิตใจเนี่ยเวลามีความทุกข์ขึ้นมาอู้เหมือนมันใหญ่โตมโกนานเลยนะแต่พอรู้วิธีปั๊บเนี่ย มันเหมือนเราไม่มีอะไรทําให้เราเป็นทุกข์ได้เลยอะเหมือนปัญญามันเข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงก็รู้มันเกิดและจังหวะรู้มาได้มันต้องไปได้มันผ่านมามันต้องผ่านไปมันเกิดได้จับหวะเนี้ยมันคล้ายๆปัญญาเลยมันมนเข้าอยู่ในจิตเลยกําลังมันมากเพียงพอที่จะไม่ให้ติตตัวเองเปทุกข์คนที่เป็นทุกข์ก็รู้ทันทีเลยปัญญามันเข้าไปถึง ที่มีปัญหาต้องรู้ว่าปัญญายัางเข้ามาถึงี่ น, นี้ปัญหาทางโลกก็เหมือนกันปัญญาเข้ า, มามไม่ถึงตรงมันก็เลยเป็นปัญหาถ้าหาว่าท่านจิตใจปัญหาเวลาไม่จิตเองเป็นทุกข์เพราะปัญญาเข้าไม่ถึงเพราะการปฏิบัติยังเข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงเมื่อไหร่ความทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขกันไปเลยปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาเหมดดังนั้นถ้าเรามีความทุกปั๊บต้องคอยสันเกตเลยว่า จะดูีว่าจิตเราเนี่ยมันจะมีปัญญานะมันจะได้ประโยชน์อะไรมีเป็นหลักส้ำผ่านเลยนะถ้าอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยไม่ว่าปัญหาหรือความทุกข์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครตั้งหลักได้เนี่ยเราจะคอยดูที่เราจะได้ประโยชน์อะไรจากความทุกขน์นนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องเอามันมาเป็นเครื่องทดสอบเลยวัดว่าจิตของเรามันหว่นไวมากน้อยแค่ไหนะ เตรียมพร้อมที่เอาประโยชน์จากมันให้ได้สุดท้ายความปีนต่างๆโผล่ขึ้นกับใจเราพระ้นผู้ปฏิบัติธรรมจงพยายามที่จะรักษาใจไม่กลัวการวนวีนไห้ขับไลยฝึกจิตฝึกใจไปเรื่อยจนผลของการปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นเองู้ได้หลองมรรคของผลเรามาได้ขนาดนี้นะต้องแม่ใจ ที่พูดอยู่นี่เพราะอะไรมันไปนนต่างเจอคําสอนของอกุฏิเจ้ามันทําให้เสียยเจี๊ยงโอง้โหเนี่ยคนนี่นะส่วนใหญ่เยี๋งวนี้คิดถึงแต่ว่าการบรรลุธรรมอะไรอยู่มันอยู่ในอ้าวกุฏิเจ้าหรอทำไม่ห่างไกลคงเป็นไปไม่ได้แนละ้วต้องเราเนี่ยนี่คือประมาตัวเองนะดูถูกตัวเองเนี่ยอโอ้มันน่าเสียใจดริงเลยว่าศาสนาพุทธขอ ง, งเราเรี่ยวนี้ทําไมมนะันเป็นไปอย่างนี้แล้ว ในสมัยพระพุทธเจ้าทาไมเขาไปตามตลาดหรือไปตามผ้าน้ําไปทําไร่ทำนาทำสวนไหนเขาจะถามกัน่อยเธอจริดินสม า, ามทานบมดไหนถ้าบอกว่าเออสติตฐานสี่หรือว่าดูการอยู่ดูเวทนายอยู่ดูจิตอยู่อะไรอย่างนี้เขาจะสาธุ อ, อนุโมท น, นากันว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็มีประโยชน์กับเธอเนะแต่ถ้าใครตอบว่าเออฉันนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ เ, เจะเดินสถิตฐานอะไรเลย ทำมาแล้วก็เลิกเลกไปแล้วบอก้าทำไมเยังประมาทอย่ให้ตั้งใจเขาจะบอกกัอย่างนี้ชาวบ้านธรรมดาคำสอนองค์ยาวนี้เาต้องเป็นภาพเป็นเี้ยเป็นผู้บรเท่านั้นเขผู้ยาวีะทานคาสอนสําหับคนธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นประวัติาสตร์เลยนสาวกองนั้นบรรลุธรรตรงนั้นตรงนี้อุบาสกคนนั้นบุธรรมอุบาสิกาบรรลุธรรม เขาจะหาบอดีสุดบรรลุธรรมเหมือนจะมีแต่ทางพระพุทธเจ้าเหมือนเรามีห่างหนี่คือความคิดที่มันดูถูกสวยประมาทสวยมันไม่ตรงพรุทธเจ้าเขาบอกว่าถ้าหาว่าได้ล่างการเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนามีศรัทาแล้วขณะได้กินได้สร้งธรรมมาของพระเจาเจ้าต้องสามารถปฏิบัติด้วยความทุกอย่าง หรืออย่างน้อยขอต้องติดประตวบายคุณงดาคือประตูตะวันบุกเข้าสู่กระแสแห่งธรรมะ รโตซึ่งเป็นผู้กล้ากิเลสสมาสุขทัศนาระสืโชคได้โดยพระองค์เอง